เป็นไงบ้างสติเกิดบ่อยไหมสติเกิดบ่อยไหมจริงๆการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะอยู่ที่ให้มีสติบ่อยๆสติยิ่งมากยิ่งดีส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติจะทําแต่สมาธิเป็นส่วนมากสติเป็นตัวระลึกร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆถึงวันหนึ่ง มันจะเห็นความจริงนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกใจจะวางาใจปล่อยวางเนี่ยมันจะพ้นทุกข์จริงๆรับใดที่ยังยึดถือกายยึดถือใจอยู่รับนั้นยังไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่มีตัวสุขหรอกหน้าที่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกบ่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจะเห็นไม่มีตัวเรา ธรรมะที่เราฝึกไปเรื่อยนะจนรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยคืออริยสัจอริยสัจเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดเลยสัจใดที่ยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจนี่ไม่พ้นทุกเลยอริยสัจดูเหมือนตื้นๆดูเหมือนง่ายๆนะทุกสมุทัยนีโรดมักนะ๊กแต่ลึกที่สุดเลยคนที่รู้แจ้งได้ในีุก ค, คนที่ข้ามโลกละคนทุกจริงๆคนในโลกนี้มีแต่ถูกกิเลสลาะไปเรื่อย ใจไหลตามกิเลสไปเรื่อยๆบันบันเที่ยวหาความสุขนะดิ้นรนหาความสุขไปเรื่อยๆเลยแต่ความสุขเหมือนรออยู่ข้างหน้าตลอดตลอดชีวิตที่วิ่งไปเรื่อยๆเหมือนมีความสุขรออยู่ข้างหน้าตามไม่ทันสักครั้งหนึ่งพอเหมือนจะทันเหมือนจะทันแล้วมันก็เลื่อนหนีหายไปอีกแล้วมีความอยากอันใหม่เกิดขึ้นแนละ้ววิ่งไปอีกวิ่งตลอดชีวิตเหน็ดเหนื่อยถ้ามาเจริญสติรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจบ่อยๆนะ มันหนึงเห็นว่าตัวเราไม่มีแ ต, ตัวเราไม่มีแล้วเนี่ยความดิ้นรนทางใจจะหมดไปเองทุกวันนี้ที่มันต้องดิ้นเพราะว่ามันมีตัวเรามันอยากให้เรามีความสุขอยากให้กายนี้มีความสุขอยากให้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกขนะ์มีแต่ความอยากขึ้นมาแล้วก็เกิดการดิ้นปัญหาคือความอยากเกิดขึ้นนะใจก็ดิ้นดินไปเรื่อยๆหานะความสุขไม่ได้ชั่ทีหนึ่ง แต่ถ้าเรามาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจเรื่อยๆนะวันที่ปัญญาจแจ้งกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกวางเขาวางเขาเองเขาวางเป็นลําดับลําดับไปขั้นแรกลาะความเห็นผิดก่อนว่ากายกใจเป็นเราเวลาได้แล้วเนี่ยรู้กายรู้ใจต่อไปอีกต่อไปมันอย่าวางกายลงไปไม่ยึดถือกายใจแล้วตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษา ตราบใดที่ยังต้องรักษาให้ใจตั้งมั่นยังไม่ใช่ของแท้ยังเป็นการทาด้วยสมถะแต่ถ้าใจมันตั้งมั่นของมันเองนะมันมีปัญญามันรู้ว่าถ้ามันไหลไปอยากมันไหลไปยึดแล้วมันจะทุกข์มีปัญญาอย่างนี้พอนะมันจะมันจะตั้งมั่นเองไม่ต้องรักษาเมื่อใจมันตั้งมั่นแล้วให้รู้ทันใจต่อไปเรื่อยจะเห็นใจเองก็ตกอยู่ใต้ใจรักแต่เดิมเราคิดว่าใจมีสองชนิดจิตใจมีสองอย่าง จิตใจที่ตั้งมัน่นรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขใจิตใจที่ไหลาตามอารมณ์ตามกิเลสมีแต่ความทุกข์จะเห็นมีสองอันอันหนึง่งตั้งมั่นอยู่มีความสุขเาลงไปไหลไปมีความทุกข์จะเห็นใจเปสองอันสับใดที่ยังเห็นเป็นสองอันนี้ยังเรียกว่าไม่รู้แจ้งอริยสัจแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าขันห้านี้เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆแต่เราไม่เห็น เราเห็นว่ามันสุขบ้างทุกข์บ้างอย่างร่างกายเนี่ยเราเห็นว่าร่างกายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตใจก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเยังมีคู่อยู่สับใดยังมีคู่ยังมีการดิ้นรนอีกนะจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆใจที่มันดิ้นรนเนี่ยมันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ดิ้นรนเพราะประคองไว้นะมันไม่ดิ้นรนเพราะปัญญาปัญญาเห็นความจริงของกายของใจดูเรื่อยๆแล้วเห็นความจริง พอมันรู้แจ้งว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราก็วางปัญหาคือความดิ้นรนที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์ก็จะดับสนิทไปหมดความดิ้นรนในใจรู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้กายรู้ใจแจมแจ้งว่าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บางสุขบางรู้ทุกข์แจมแจ้งเป็นอันละสมูทไทยอัตโนมัตินะมันละไปเองอัตโนมัติไม่ต้องเจตนาละใจมันเลิกดิ้นรนใจที่เลิกดิ้นรนจะเข้าถึงสันติสุข สันติสุขตัวนี้คือนิโรธหรือนิพานนั่นเองงั้นถ้าเรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งวางความยึดถือกายยึดถือใจได้จิตใจไม่ดิ้นรนจิตใจเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงเห็นเลยโลกนี้มีแต่สุขปลอมๆแท้จริงแล้วถ้าเราปฏิบัติไปมากเข้ามากเข้าจะเห็นมีความสุขอีกอย่างหนึ่งนะเต็มบริบูรณ์เลยโลกนี้ไม่เคยปล้องไปไหนเลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยความสุขที่ไม่อิงอาศัยอะไร เงือนการที่เรารู้ทุกจนละสมูทยัยละตัณหาได้เข้าถึงความสงบสุขในจิตใจได้เรียกว่าการเจริญอริยมรรคนี่คืออริยสัจสี่ยังอริยสัจสี่รู้ยากที่สุดถ้ามีสติรู้กายรู้ใจมากๆเป็นมันรู้ทุกสมูทัยก็ถูกละนิโรธก็แจง้งนี่เครื่องมือในการรู้กายรู้ใจเครื่องมือคือตัวสตินั่นเอง สติเป็นตัวคอรู้กายสติเป็นตัวครยรู้ใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอรู้สึกใจเราหนีไปเราก็รู้ทันนะใจเป็นยังไงก็รู้ทันไม่ประคองนะไม่ประคองไว้จิตใจมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ย น, ปนแปลงดูเหมือนเห็นคนอื่นนะเห็นใจนี้เหมือนใจคนอื่นเห็นกายนี้เหมือนกายคนอื่นดูไปเรื่อยมีหมอคนนึงอยู่นคปรปฐมมาเรียนปีกว่า ก็ดูสอนเขานะดูจิตใจของตัวเองใจมันโลภนะเห็นจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงะร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนไม่ใช่เรารู้สึกไปเรื่อยเลยรู้สึกไปกายนี้ใจนี้มัน d, ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมนามธรรมรู้สึกอย่างจุดหนึ่งก็ลากความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราได้ใช้เวลาไม่มากหรอก เวลาได้แล้วก็ให้รู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะรู้ไปจนมันค่อยๆวางมันวางเพราะมันเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์แล้วถึงจะเห็นธรรมหลกูเทศหปสอนเห็นทุกข์แลเห็นธรรมยังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ถึงธรรมไม่ถึงธรรมตัวจริงนะต้องสิ้นโลกเหลือธรรมนี่หลวงปูสอนไว้สิ้นโลกเหลือธรรมโลกคืออะไรโลกคือกายกับใจนี่เองคือขันธ์ห้านี่เองเี่ยรู้จนวาง ก็เหลือแต่ทำล้วนๆมีแต่ความสุขล้วนๆมนะีความสุขของโลกก็ดินไปดินมานี่สติตัวสาคัญสติสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นี่ลำบากตรงนี้แหละสติเป็นของที่สั่งให้เกิดไม่ได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดเหมือนกิเลสตัวอื่นๆนะหรือกุศลตัวอื่น ๆ, ๆก็เหมือนกันถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดหมดเหตุมันก็ดับไปหรือไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิด เหตุให้เกิดสติก็คือการที่จิตจำสภาวะได้เพราะเราคอยรู้กายบ่อยๆรู้เวทนาบ่อยๆรู้จิตใจของเราบ่อยๆแต่ไปจิตมันจำสภาวะได้รู้มากๆรู้บ่อยๆรู้เนืองๆทําให้จิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองเช่นเราหัดรู้สึกไปนั่งฟังหลวงพ่อพูดฟังไปแล้วใจลอยไปหนีไปคิดรู้ทันว่าหนีไปคิดหัดรู้สึกไปอย่างเนี้ยพอใจหนีไปก็รู้สึกใจหนีไปก็รู้สึก จิตมันจําสภาวะที่จิตหลงไปคิดได้ต่อไปพอจิตไหลไปคิดแวบไบหลไปแว บ, บเดี๋ยวสติเกิเองเลยเราลึกได้เราลึกได้ว่าว่าหลงไปแล้วเห็นเลยเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้สึกรู้สึกอยู่ชั่วคราวก็หลงใหม่นะถ้าไม่หลงก็นั่งเพ่งมีสองงานเองถ้าไม่ไปหลงไว้ก็เพ่งไว้คอยรู้สึกไปเรื่อยเราเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตใจเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้สึก นะเผลอไปถ้าเผลอมากหน่อยเดี๋ยวเขามีโรคมีโกรนอะไรขึ้นมาอีกรากง่าวันแรกเลยก็หลงไปก่อนมีโมหะก่อนแล้วราคะโทสะก็เลยตามมาแต่ไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามนะไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้ไหลไปให้ไหลไปแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้จนจิตมันจําประภาวะที่จิตมันไหลไปได้มันหลงไปได้สติจะเกิดเองไม่ต้องสั่งให้เกิดนะนี่มีเครื่องช่วยพวกเรา ถ้าหัดใหม่ๆก็หาเครื่องช่วยอันหนึ่งใครเคยทํากรรมฐานอะไรทำมันนั้นต่อไปเช่นบางคนหัดหายใจนะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหายใจต่อไปหายใจแล้วค่อยสังเกตสภาวะไม่ใช่หายใจเอาสงบเอาสุขเอาเคลิ้มอะไรต่อไปแล้วแต่หัดแล้วหายใจสังเกตสภาวะไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันะหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันหายใจแล้วจิตเกิดปีติเกิดสุขนะ เกิดอุเบกขาจิตฟุ้งซ่านจิตโหดผูจิ ต, จ ต, จตเป็นอย่างน้นจิตเป็นอย่างนี้หายใจแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ต้องฝึกอะไรมากหรอกฝึกแค่นี้ก็พอในที่สุดจิตจะจําสภาวะได้เยอะแยะเลยจิตจะรู้ว่าเผลอไปเป็นยังไงรู้ว่าเพ่งเป็นยังไงรู้ว่าสุขว่าทุกนะรู้ว่ากุศลอนะกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นยังไงพอจิตมันจําได้แล้วพอสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นสติเกิดเองไม่ต้องสั่งให้เกิดสติจะเกิดเอง นะไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะสติเป็นอนัตตาถ้ามีเหตุมันเกิดเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดหรอกนะเพราะฉะนั้นหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะคนไหนหัดพุดโทโธก็พุโทโธต่อไปแล้วพุโทโธเพื่อหัดรู้สภาวะนะพุโทโธพุโทโธใจหนีไปคิดก็รู้ทันพุโทโธพุทโธใจไปเพ่งไว้ก็รู้ทันนะพุโทโธใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจเป็นกุศลเป็นอกุศลก็รู้ทันหัดรู้ทันสภาวะไป คนไหนฝึกดูท้องพองยุบก็ดูต่อไปนะไม่ต้องเลิกฝึกไปแต่ว่าไม่ได้ดูท้องพองยุบเพื่อไปเพ่งอยู่ที่ท้องให้ดูท้องพองยุบเพื่อหัดสังเกตสภาวะเช่นเราดูท้องพองยุบสักพักหนึ่งจิตนี้ไปคิดล้วจิตนี้ไปคิดรู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดดูไปสักพักหนึ่งจิตลงไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันว่าเพ่งท้องแล้ะดูไปแล้วเกิดปีติเกิดความสุข เป็นตัวเบาตัวลอยตัวโครงนี่ไม่ใช่วิปัสนาญาณอะไรหรอกนะไม่ใช่มรรคผลอะไรตร่อเป็นอาการของสมถะทั้งหมดเลยบางคนเดินแล้วตัวเบาเบตัวลอยลอยจิตนะใจมันเป็นยังไงคอยรู้สึกไปเรื่อยดูท้องของยุบไปหรือยกเท้าย่างเท้านะใจไหลลงไปอยู่ที่เท้าก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็คอยรู้หัดรู้สภาวะนั่นเองใครขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนนะั้นก็ขยับต่อไป ไม่ได้ผิดอะไรนะใช้ได้ขยับไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งมือก็รู้จิตฝึกเป็นสุขเป็นทุกข์นะเป็นกุศลอกุศลก็รู้เอาใช้หลักอันเดียวกันนี้แหละเป็นการทํากรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาก่อนเพื่อจะหัดรู้สภาวะนะพอเรารู้สภาวะได้มากรู้สภาวะได้แม่นเนะ่ยต่อไปพอสภาวะอันนั้นเกิดนะสติจะเกิดเองมีพระองค์หนึ่งนะท่านเที่ยวเดินไปเดินมาตอนนี้ท่านอยู่หินมักเป้ ง, งเขียนจดหมายมาหา ก็าถามหลายทีล้วท่านบอกว่าท่านหาทางให้สติเกิดไม่มันไม่เกิดท่านเลยเอาใหม่ค่อยนับว่ามันหลงอีกครั้งค่อยดูว่าหลงไปแล้วค่อยรู้หลงไปแล้วคอยรู้องค์นี้แต่เดิมก่อนจะบวชเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่อยส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วก็นับเชื้อโรคแล้วมีเชื้อโลกกี่ตัวกี่ตัวนะก็มีเครื่องนับมีเครื่องนับเจอหนึ่งตัวกดหนึ่งทีเจอหนึ่งตัวกดหนึ่งที ก็เลยนึกได้ไปเอาอเครื่องเนี้มากดเผลอหนึ่งครั้งกดหนึ่งทีบอกตอนนี้เผลอได้วละสามร้อยกว่าครั้งละโอ้เผลอบ่อยใจไหลแวบรู้ทันเลยกดไว้หนึ่งแต้มควาจริงไม่กดก็ได้นะแค่ไหลแล้วรู้ก็พอละแต่ท่านอยากรู้ว่าท่านจะเผลอเยอะแค่ไหนท่านกดไปเรื่อยวันหนึ่งเผลอสามร้อยกว่าครั้งอันนี้เฉพาะตอนที่ถืออเครื่องนี้นะ ตอนไปบินธบาตไปแกะแกะนี่ชาวบ้านเขาไม่ใส่บาทหรอกเขากลัวนะหรือตอนซักผ้าเนี่ยไปแกะแกะอยู่ไม่ได้ตอนฉันข้าวนะทําไม่ได้แต่ท่านบอกว่าในช่วงเวลาที่ไม่ได้กดเครื่องเนี้ยก็ เ, เห็นใจมันหลงไปปุ๊บก็ เ, เห็นแล้วว่ามันหลงไปแล้วนะสติท่านเกิดบ่อยวันวันหนึ่งท่านบอกท่านรู้จักแล้วว่าตื่นเป็นยังไงเนี่ยอุบายของแต่ละคนนะทํายังไงก็ได้หานะอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วก็คอยรู้สภาวะไป มีคนนึงชื่ออาจารย์นองเล่าบ่อยๆใครมาบ่อยๆจะได้ยินเรื่องอาจารย์นองอาจารย์นองมาเรียนกับหลวงพ่อเป็นปีๆนะไม่รู้เรื่องหรอกเรียนแล้วมันคิดอย่างเดียวว่าทํายังไงถึงจะถูกพวกเราหลายคนจะรู้สึกไหมเราจะคิดตลอดเวลาเลยมานั่งฟังหลวงพ่อพูดเลยคิดว่าทํายังไงจะถูกทําไงก็ผิดแค่อยากจะทํามันยังผิดเลยนะแค่อยากจะทําก็ผิดแล้วลงมือทํามันก็ผิดแน่ๆ น, นะอาจารย์นองฟังเป็นปีไม่รู้เรื่องวันหนึ่งกลับบ้านไปน้องสาวถาม บอกนี่พี่การปฏิบัติเนี่ยทำยังไงจันหน่องก็วางฟอร์มนะบอเอ็งนั่งขัดสมาธินะให้เอ็งต้งนวดตัวเองไปเนี่ยนวดเบาๆบนวดไปเรื่อยเรือยเห็นไหมนี้มันก็คือการหาอารมณ์ น, นึงมาเป็นเครื่องอยู่นั่นเองนะเราจะใช้การนวดอย่างนี้ก็ได้ใช้ขยับมือก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้พุทโธก็ได้ดูท้องเผายุบ ก, ก็ได้นะอะไรก็ได้จันหน่องก็ไปสอนน้องให้นวดอย่างนี้นวดไปเรื่อยๆไม่ต้องนวดแรงเดี๋ยวเคล็ด นั่งแล้วมันนวดนี้มันก็สบายไม่เมื่อยนะบอกเองนวดไปสักพักนะเองจะหนีไปคิดไอ้น้องก็นวดนวดเออหนีไปคิดแล้วเห็นแล้วว่านวดนวดอยู่แล้วเผลอไปคิดแล้วลืมการนวดลืมร่างกายตัวเองใจหนีไปคิดแวบบนะแล้วทํายังไงต่อจะน้องตกใจนะเอา้าน้องมันดูหนีไปคิดเป็นแล้วเรายังดูไม่เป็นเลยนะเก้กลางตําราสู้น้องนะ มาเรียนจากหลวงพ่อบอกสิ่งที่ผิดมีสองงานไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้เขาเลยบอกน้องเองทุบต่อไปนะเดี๋ยเองก็เพ่งน้องทุบทุบแหมจริงจังมากในการทุบเลยจ้องมากมเข้ามันก็คือการเพ่งนั่นเองโอ้รู้จักเพ่งแล้วแจนน้องนี่อย่างอื่นไม่เป็นนะแต่ว่าดูคนอื่นเป็นเห็นน้องหน้าตาสดใสขึ้นมาเลยตกใจเอ้ยมันภาวนาหน้าใสแล้วเรายังทําไม่เป็นเลยน้องถามอีกทํายังไงอีก ตายลรสิตัวเองทำไม่เป็นนะคราวนี้ก็เลยใช้ตำราตู้อีกละบอกว่าเอาเก้าอี้ให้พระท่านนั่งนะนะรู้สึกไหมใจเราหนีไปอยู่ที่พระรู้สึกไหมนะนะนิมนต์นั่งเลยครับนิมนต์นิมนต์ น, น, นะครั บ, น, น, รบนะน้องถามว่าอา้าเสลอก็รู้จักแล้วเพ่งก็รู้จักแล้วทำยังไงอีก จันนองก็ตกใจนะบอกอ่ะต่อไปนี้เมื่อเองทําเป็นแล้วเองต้องทํามากๆต้องขยันนะอย่าขี้เกียจ น, นะสอนน้องเสร็จนะ่ะหนีเข้าห้องเลยนะกลัวมันถามอีกนะเอาบ้างเลยทุบเองบ้างนะสอนเข้าตัวเองยังไม่ได้ทำเลยนะนั่งนวดนวดนวดจิตเผลอไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะในสุดก็เลยภาวนาเป็นจริ ง, รงแล้วไม่ได้ยากอะไรหรอกขัดรู้สภาวะนั่นเองเพราะงั้นเราทํากรรมฐานอะไรเคยทํากรรมฐานอะไรเราก็ทํากรรมฐานานั้นนแหละนะ จะดูท้องพองยุกก็ได้ยกเท้ายัาง่งเท้าก็ได้พุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ขยับมือก็ได้รู้อิริยาบถสี่อย่างอาจันแนบก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับกายและใจของเราแต่กรรมาฐานที่เกินกายเกินใจออกไปเขาไม่เอานะอย่างเราไปนั่งดูไฟดูอะไรนี้มันย้อนกลับมาดูกายดูใจยากเอากรรมาฐานที่เกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยมาเป็นเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าบอกให้เอากายเป็นเครื่องอยู่เอาเวทนาเป็นเครื่องอยู่เอาจิตเป็นเครื่องอยู่ แต่คนรุ่นหลังๆก็เริ่มเอาเทคโนโลยีเป็นเครื่องอยู่เช่นะนเอาเครื่องนับมานับอนะไรเงีนะ้ยที่จริงอะไรก็ได้นะหัดรู้สภาวะไปพอจิตจําสภาวะได้ต่อไปสติจะเกิดเองพอสติเกิดบ่อยๆเนี่ยปัญญามันจะเกิดนะปัญญามันจะเกิดจะเห็นความจริงเลยกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะถ้าเห็นเบื้องต้นเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันจิตมันรวมเข้าไปมันตัดนะ ดูต่อไปอีกเรื่อยๆดูเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็ตัดเป็นลําดับลําดับไปมันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ตัวเดิมของเราส่วนเข้ามาจนถึงจิตถึงใจตัวเองหลวงปู่เทศสอนผู้ใดเข้าถึงจิตถึงใจตนเองนะปฏิบัติถึงจิตถึงใจตนเองถึงได้แก่นสารของการปฏิบัติถ้ายังเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจยังไม่ได้แก่นสารได้แต่เปลือกๆมันเข้ามาถึงจิตถึงใจปัญญารู้แจ้งยกปล่อยวางจิตลงไป ตรงที่ปล่ยวางจิตเนี่ยไม่มีหยิบช่วยอะไรขึ้นมาอีกแล้วนะเพราะจิตนี่เป็นสิ่งที่หวงแหนที่สุดรักที่สุดว่าเป็นตัวเราเราจะรู้สึกนะในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็เราคนเดิมนี่หัดรู้หัดดูไปเรื่อยว่าจิตไม่ใช่ตัวเดียวหรอกจิตเกิดดับเกิดดับทั้งวนันเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปคิตนะเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นกุศลอะกุศ ล, ล, ล, ล, ลมีแต่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ปัญญามันค่อยรู้ไปเรื่อยๆฝึกไปนะฝึกไปหลวงพ่อไม่เห็นอะไรจะดีวิเศษเท่าการปฏิบัติเลยมันพ้นทุกข์จริงๆนะพ้นต่อหน้าต่อตาแต่พ้นเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่พ้นต้องตายแล้วพ้นค่อยฝึกเอาอใครจะส่งกันบ้านอ่ะพี่แอดก่อนนี่รุ่นหนึ่งเลยนะนี่รุ่นหนึ่ง <laughs> หาเครื่องทำนะหาเครื่องอยู่นะนวดไปก็ได้อะไรก็ได้คืออย่างนี้ถ้าถ้าเราเพ่งเท้าเนี่ยนะตัวเท้าเนี่ยเป็นอารมณ์บัญญัติเรียกาอารมณ์บัญญัติเป็นอวัยวะถ้าเราเพ่งเท้าเนี่ยจะเป็นสมถะแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตเราไหลไปอยู่ที่เท้านะรู้สภาวะลว้ใช้ได้ เพราะฉั้นจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่อื่นก็รู้พี่แอดคอยดูจิตที่ไหลไปไหลามาไม่ใช่ให้มันเป็นนิ่งอยู่ที่เท้านะถ้าเราส่งจิตให้ไปเกาะนิ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเป็นสมถะเช่นบางคนดูท้องพองยุบนะเราไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็เป็นสมถะเป็นการเพ่งตัวอารมณ์ถ้าเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะถ้าเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงดูลักษณะดูความเป็นไตรลักษณ์นะของกายของใจเนี่ถึงจะเป็นวิปัสสนา เพราะฉะนั้นจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้จิตหนีไปก็รู้นะจิตเป็นไงก็รู้เอะหลวงพอ่อหลวงพอ่อฉันข้าวมายัางครับอ๋ อ, อ, อครับดีแล้วพี่แอดพี่แอดดีกว่าข้าก่อนนะอ่ะพี่ไวนี่รุ่นหนึ่งเหมือนกัน อ่าไม่ใช่เราไปเรียนใจ ร, รักเราไปเรียนให้เห็นว่าไม่สมอยากหรอกอย่างเราคาดหวังว่าไปวัดจะต้องดีเงี้ยเสร็จแล้วมันไม่ดีให้ดูมันสอนนะมันมันไม่ได้ไม่ดีอืมแต่มันไม่ไม่ได้อย่างใจเจอรคือะไรคือเราไปตั้งเป้าไปก่อนม่ควรตั้งอืมไม่ควรตั้งนะเราไปดูตัวเองอไปดูกายไปดูใจตัวเองนถ้าจันตันตะดีนะพระแท้แท้จันตัน หายยากพะอย่างนี้มีไม่กี่องค์หรอกดีที่เป็นไงที่ใจเคลื่อนไหวคอยรู้เรื่อยอย่าตรึงนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปเราดูจนเห็นความจริงเราบังคับมันไม่ได้มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนมันทํางานของมันเองนะทําทั้งวันทั้งคืนทําอยู่งั้นน่ะเราก็ไม่ได้ไปฝึกเพื่อให้มันนิ่งให้มันดีให้มันสงบให้มันสุข การไปฝึกจิตให้มันนิ่งให้มันดีให้มันสงบให้มันสุขนี่เป็นเรื่องของสมถะนะก็จะมีความสุขชั่วคราวแต่ถ้าเราต้องการเจริญปัญญาเราดูให้เห็นเลยมันทํางานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไปทางตาไปทางหูไปทางใจนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวลายดูเท่านี้เองนะหลพี่เองปฏิบัติจะว่ายากก็ยากสุดๆเลยนะมันมีความรู้สึกลึกๆ ในภรษาแรกๆมีความรู้สึกลึกๆว่าเราไม่รู้แจ้งอริยสัจแปลกไหมตอนเด็กๆเรียนศีลธรรมวิชาศีลธรรมรู้จักอริยสัจแล่วพอภาวนาเนี่ยนะมันจะรู้สึกลึกๆว่าไม่รู้อริยสัจแล้วก็จิตใจเที่ยวค้นกว่าอริยสัจทดลองปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ผลปฏิบัติอย่างนี้นะดูเหมือนจะดี ผ่านไปช่วงหนึ่งก็ไม่ดีลองอย่างโน้นลองอย่างนี้นะจิตหมุนจีตลอดเวลาเลยหมุนทั้งวันทั้งคืนนะค้นกวาหาทางอีกออกจากทุกข์ค้นไปจนสุดปัญญานะไม่มีทางไปอะ่ะจนมันไม่มีทางจะไปไม่รู้จะทํำยังไงละให้ใจมันยอมจำนอนอยู่อย่างนั้นแหะแล้วก็มีหน้าที่ตามรู้ไปเรื่อยๆใจิตใจเขาเปลี่ยนของเขาเองไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เขาบรรลุของเขาเอง ไม่มีใครทำสติให้เกิดได้นะเขาเกิดของเขาเองเขามีเหตุเขาก็เกิดงั้นเราก็มีหัดจำสภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นพอสติเกิดมากเข้ามากเข้านี่จิตจะตั้งมั่นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตจะไม่ล่อนเร่ไปนะไม่มีสัมมาสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะเห็นเลยความจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญา ร, รู้ความจริงของกายของใจกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ละคนเห็นนั่นเดียวแหละบางคนก็เห็นไม่เที่ยงบางคนก็เห็นความทุกขนะ์บางคนเห็นอนัตตาเห็นนั่นเดียวก็พอเห็นนั่นเดียวก็ตัดแล้วดีแล้วล่ะให้มันต่างกันดีกว่าคงที่อยู่นันเดียว ถ้าทำสำเร็จนะก็มันก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาใชหเพราะฉะนั้นทำไม่ได้ถ้าใครมาถามตมานะทำยังไงทำไม่ได้หรอกพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นไม่ได้สำนวนโมหานพูดอย่างซื่อๆทำไม่ได้หรอกไม่มีใครทำสติให้เกิดได้หรอกไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกสติมีเหตุสติก็เกิดถ้าจิตจำสภาวะได้สติเกิด สติเกิดบ่อยๆจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวส ม, มาสัมาทิสเกิดไม่หลงไปไม่ไหลไปรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกมากๆปัญญาเราเกิดแ ค, แค่นี้พาละดูว่าสติเกิดไม่เกิด อ, อ, อววไม่เอาดูว่าสติเกิดไม่เกิดเท่านั้นนะการปฏิบัติเหลือนิดเดียวมีสติหรือขาดสติเหลือแค่นี้เองมีสติหรือขาดสติ อันอื่ไม่ต้องเอามาวัดละล ไ, ไม่ได้นะอย่างเ ง, ง, นะ ง, งี้ยพุ่งต้านละพุ่งต้านทำแล้วจะคาดหวังผลทําด้วยความคาดหวังผลเรื่องทำด้ตัณหาถ้าทำแล้วมีความสุขที่จะได้ดูกายดูใจนะมีความสุขมีความเพลิดเพลินพอใจที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองเรียกว่ามีฉันทะแต่มาตั้งแต่ไปหาหลวงปู่ดูลั้งแรกมีฉันทะสนใจที่จะดูจิตใจตัวเองรู้สึกมันน่าสนใจนะน่าเรียน มันไม่เหมือนกันสักวันหน้าเรียนรู้ความรู้สึกหน้าเรียนจะขยันดูเรียมีฉันทะแล้ววิริยะเกิดไม่คาดหวังผลนั่นแหละลึกๆมันจะหวังผลไปเรื่อยนะตัณหาเนี่ยขี้เกียจปฏิบัติแต่อยากได้ผลตัณหาเป็นตัวกั้นสิ่งที่ทําให้เนิ่นช้าตัวหนึ่งก็คือตัณหาตัวหนึ่งคือมานะถือตัวตัวหนึ่งทิฏฐิศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อย คิดเอาคิดเอาไปเรื่อยๆให้คอยรู้นะรู้ไปอย่างที่มันเป็นง่ายง่ายที่สุดเลยริบใจลอยรู้สึกไหมใจไว้ไปรู้สึกดูไปจนเห็นมันไม่ใช่เราสักอันเดียวไม่มีเราดูไปทาไปนะไม่นานใจเดินมาถึงตรงนี้ปลอดภัยละไปได้เรื่อยๆไปได้ด้วยตัวเองนะระวังไปประคองติดสมถะเท่านั้นแหละให้คอยดูความเปลี่ยนแปลง ดูให้เห็นว่าเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ใช่ตัวเราทำงานหรอกเขาทำของเขาเองตามไปให้ได้เนาะ